ต, ตอนนี้ฝนก็หยุดลงแล้วเสียงก็เบาลงก็พอที่จะพูดธรรมะต่อได้ก็ขอพูดธรรมะต่ออีกสักเล็กน้อยการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบเป็นวิธีหาความสุขที่ดีที่สุดเพราะเป็นความสุขที่สะอาดบริ ส, สุทธ เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มหนำสำราญใจเป็นความสุขที่เราสามารถทำกันได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนถ้าเรานั่งสมาธิเป็นเราสามารถนั่งได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นี่แหละคือความหาความสุขที่ถูกต้องเพราะไม่ต้องอาศัยเงินทองความสุขทางอื่นนี้จะต้องอาศัยเงินทองอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ต้องใช้เงินทองซื้อมาดูซื้อมาฟังอยากจะดิม่มอยากจะรับประทานก็ต้องใช้เงินทอง ถ้าไม่มีเงินทอง้าไม่สามารถที่จะมีความสุขได้แต่ถ้านั่งสมาธิได้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องมีเงินทองสามารถมีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ mm. เนี่ยเรามีของดีของวิเศษอยู่ในตัวเรา เรากับง้อกับไปหาของแหงซวยของไม่ดีที่อยู่ข้างนอกตัวเราได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์มากังวลมาวิตกมาหวงมาห่วงแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันจากเราไปของดีๆที่จะอยู่กับเราตลอดเวลา ให้ความสุขกับเรามีความซื่อสัตย์กับเราเรากลับไม่เข้าหากันเรากลับออกไปหาของไม่ดีถ้าเปรียบเทียบความสุขที่ได้จากความสงบก็เป็นเหมือนเพชรนินจินดานี่เองส่วนความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆภายนอกเป็นเหมือนกับกองขยะขยะมูลฝอย ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเป็นเหมือนเศษขยะกับเพชรนิจจินดาให้เราเข้าหาเพชรนิจจินดากันอย่าไปหาเศษขยะเพราะเป็นความสุขปลอม ความสุขที่ไม่จีรังถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปกินไปเดื่บอะไรมาความสุขที่ได้เดี๋ยวเดียวก็หายไปเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็อยากไปกินไปเดื่มอีกแล้วไปดูไปฟังอะไรก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปดูไปฟังใหม่ แล้วถ้าไม่มีเงินไปดูไปฟังไปกินไปดื่มก็เสียใจไม่สบายใจนี่คือความสุขที่แบบเป็นแบบกองขยะเศษขยะไม่มีมูลไม่มีความาไม่มีคุณค่าราคาเหมือนกับความสุขของความสงบของใจเป็นเหมือนเพชรนินจินดา มีคุณค่ามากเพราะสามารถให้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่จรังถาวรความสุขที่ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายน่่งกายไม่สบายก็ยังสามารถเข้าสมาธิได้ได้ความสุขจากความสงบได้ ถ้าไปหาความสุขข้างนอกถ้าร่างกายไม่สบายก็ไปไม่ได้อยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้อยากจะไปดูไปฟังอะไรก็ไปดูไปฟังไม่ได้อยากจะกินจะดื่มอะไรก็ไม่อริเรตอร่อยเวลาร่างกายไม่สบายนี้ทำอะไรไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าทำสมาธิได้ร่างกายไม่สบาย ก็ยังมีความสุขได้มีความสุขเหมือนกับตอนที่ร่างกายสบายนี่แหละของวิเศษของดีๆที่เป็นของเราตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาเรากลับไม่รู้จักกันเรากลับไปรู้จักแต่ของที่เป็นไม่ใช่เป็นของเราของที่เราได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไป ไม่มีอะไรที่เราได้มาจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพางจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายเวลาจากกันก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจแทนที่จะมีความสุขกับ ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่เราไปหามาให้ความสุขกับเราอาจคิดกันบ้างสิคิดกันดูว่าเราตอนนี้เราสุขหรือทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราไปหามาความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆมันเป็นตอนต้นเท่านั้นเองตอ น, ตอ น, ตอ น, ตอนที่ได้มาใหม่ๆต่ อ, อ่างนั้นมันก็หายไป แต่ใจของเราก็ยังมีความผูกพันกับมันอยูอ่ก็ยังต้องคอยดูแลรักษามันอยูอ่ความสุขที่มันเคยให้เราใหม่ๆมันหมดไปแล้วแต่เรายังต้องดูแลรักษามันไปแล้วเดี๋ยวเวลามันจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจ อ, อ, อย่าไปหาความสุขแบบนี้เลย ให้มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าการที่จะทำใจให้สงบได้เราต้องบังคับใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ได้บังคับให้มันคิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าอยู่กับพุทโธไม่ได้ให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดไปภายในใจอิติพิโสภะคะวาอาลลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนะสัมปันโนสุขโตโลกาวิธูอนุตตรโรปุริสัรรมสารทิสัทธาเทวนมนุสสานนงพุทโธภะควาติสวาคาโตภะควตาธโาามโสวดไป สุปาติปันโนภะกาวาโตสาวกสังโขพอครบหนึ่งจบก็เริ่มจบที่สองใหม่อิติปิโสภะกาวาใหม่บทไหนก็ได้ขอให้เราอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยมันจะคิดคิดแล้วมันจะอยากอยากแล้วมันอยากจะลุกอยากจะไปทำนู่นทำนี่มันก็จะทำให้นั่งเฉยเฉยไม่ได้ไม่มีความสุข แต่ถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆจบหรือเปลี่ยนบทสวดก็ได้จากอิติปิโสก็มาสวดพุทธัทงสระนังกัจามิธรรมังสระนังกัจามิสังขังสระนังกะชฉามิเหมือกลับมาสวดบทแผ่เมตตาก็ได้สัพเพสัตตาอเวราหณตุสัพเพสัตตาอาเบยาปัจชาโหณตุเอ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถิดนะสะเพสัตานะอานิคารหนตุนะอยากขอให้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจเถิดเนะีนะ่ยนะสวดไปเรื่อยๆเนะี่ยสลับกันไปสลับกันมาถ้าเรายังไม่สามารถอยู่กับบทใดบทหนึ่งหรือคำใดคำหนึ่งก็สวดเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ อย่างน้อยใจเราก็จะสบายไม่คิดถึงเรื่องนูน้นเรื่องนี้ไม่อยากจะไปทำนูน่ทนทานี่ทำให้เรานั่งเฉยๆและมีความสุขในขณะที่เรานั่งเฉยๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาสิ่ ง, งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสิ่ ง, งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปหางานหาเงิน สบายไม่ตงถ้าไม่ใช้เงินได้แล้วจะสบายเอาเวลามานั่งสมาธิกันดีกว่าถ้าจะหาเงินก็หาแต่เฉพาะค่าอาหารที่จาเป็นก็พอหาพอกินพออยู่ได้ก็พอเอาเวลามานั่งสมาธิมาควบคุมใจถ้านั่งนานๆมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินแทนเวลาเดินก็เหมือนกัน เดินไปก็พุโทธโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอิติปิโสภักกาวาไปหรือดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้มันใช้ใจมีอะไรทําอย่าไปให้มันไปอยากทําอย่างอื่นอย่าไปปล่อยให้มันอ ย, อยากไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปกินไปดื่มเอเพราะความสุขแบบนั้นมันเป็นเหมือนยาเสพติดน พอเสร็แล้วมันจะติดมันจะต้องคอยไปหามากินม า, ม, มาดื่มมาดูมาฟังอยู่เรื่อยๆซึ่งเอาความสุขจากการสวดมนต์จากการบริกรรมพุทโธจากการดูเท้าถ้าเราเดินก็ดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าเบื่อซ้ายขวาก็สวดพุทโธพุทโธไปเบื่อพุทโธก็สวดอิติปิโสภะกวาไปทำได้เนี่ย พระสงค์ที่มาบวชบางทีท่านใช้การหัดสวดปาฏิโมกข์เวลาเดินจงกรมท่านต้องสวดปาฏิโมกข์มีสินสองร้อยยี่บเจ็ดข้อท่านก็หัดสวดในขณะเดินจงกรมไปได้ประโยชน์สองอย่างได้ปาฏิโมกข์ได้ไร้สติพอเวลาเดินแล้เมื่อ ก, ก็กลับมานั่งใหม่กลับมาพุทโธพุทโธใหม่ทำ กิจกรรมเหล่านี้แล้วจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้อยู่ตามลําพังได้ไม่เดือดร้อนถ้าไป เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวต้องเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่สบายขึ้นมาบ้างไม่สบายร่างกาย ไม่สบายใจก็แสดงอาการไม่สบายใจออกมาอยู่กับคนไม่สบายใจอยู่ก็ทำให้เราไม่สบายใจไปกับเขาอีกนะมีแต่เรื่องถ้าอยู่กับคนอยู่กับสิ่งของแล้วเดี๋ยวต้องมีเรื่องให้วุ่นวายใจ สู้อยู่กับพุโทโธอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับการเดินจงกรมหรืออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมถ้าเบื่อเดินจงกรมเบื่อพุโทโธเบื่อสวดมนต์ก็เปลี่ยนมาฟังเทศฟังธรรมเดีย๋ยวนี้มีธรรมะให้ฟังถ้าอยากจะฟังถ้าไม่อยากจะฟังอยากจะอ่านก็มีหนังสือธรรมะให้อ่านเอาจิตใจเรา ให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมะตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนเราหลับต่อไปใจเรานี้จะอยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างไม่ต้องพึ่งพาอาศัยลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งพาสายรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราแล้วเราจะไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายใจกับลาบยศสรรเสริญ กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มันเป็นของที่ไม่เท่งแท้แน่นอนสามวันดีสี่วันไข่บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีก็มาบางทีก็ไปบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงทาให้ใจเหล่านี้วุ่นวายไปกับมันไม่รู้จักจบจักสิน้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า มายุ่งกับธรรมะดีกว่ายุ่งกับการสวดม น, นยุ่งกับการเดินจงกรมยุ่งกับการฟังเทศฟังธรรมยุ่งกับการนั่งสมาธิการกระทามแบบนี้จะทำให้ใจเรามีแต่ความสุขมีแต่ความสงบจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆ เราจะไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับเขาไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวิตกกับเขาเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราเราไปเราไปช่วยไปทำอะไรให้เขาไม่ได้ในที่สุดเขาก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเขาต้องขึ้นต้องลงไปตามบุญตามกรรมของเขา เราทำได้ก็เพียงแต่คอยช่วยเหลือทางปัจจัยสี่เท่านั้นเองแต่นอกจากนั้นแล้วชีวิตของเขานี่ต้องเป็นไปตามเรื่องของตามกฎแห่งกรรมของเขาอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจสนใจกับการดูแลรักษาตัวเราดีกว่ารักษาใจของเรารักษาความสุขที่ได้จากความสงบ แล้วเราจะมีความสุขทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนจะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีรางวัลอะไรต่างๆไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราสามารถหาความสุขจากการภาวนาได้ในในในสี่อริยบทเดินยืนนั่งนอน เดินยืนนั่งนอนก็มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธบ้างอยู่กับการสวดมนต์บ้างอยู่กับอาการาการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างอยู่กับลมหายใจเข้าออกบ้างหรืออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมบ้างสลับกันไปอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะทำให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเรามีความสุข ต่อไปเราจะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรเพราะเรามีที่พึ่งในตัวเราเราจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปจะเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถสามารถหาความสุขภายในตัวเราได้ถ้าเราไม่มีความสุขในตัวเราเราก็ต้องออกไปหาความสุขข้างนอกตัวเราต้องไปหาลาบยศจลาเสิญแต่หารูปเสียงกล่นรถต่าง แล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเอเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเอพอมันเสื่อมไปหมดไปก็เสียใจแล้วก็ต้องไปหามาใหม่เอ พอเสียไปก็ไปหาของใหม่มาแทนหาของใหม่มาได้เดี๋ยวของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าเดี๋ยวมันก็หมดไปอีกก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะหาไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วก็จะหาไม่ได้ถ้าเ ง, งินไม่หมดร่างกายก็อาจจะแก่ร่างกายก็อาจจะเจ็บร่างกายก็อาจจะตายเพราะฉะนั้นการหาความสุขภายนอกนี้ เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่การหาความสุขให้เข้ามาหาความสุขภายในใจดีกว่าด้วยการฝึกสติอยู่ตลอดเวลาคอยควบคุนใจให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับบทสวดมนต์ทำไมเวลาเราทำอะไรร้องเพลงไปได้ ทำไมสวดมนต์ไปไม่ได้เบียนจากการร้องเพลงมาสวดมนต์เสีอาบน้ำบางคนอาบน้าแล้วก็ร้องเพลงไปเราก็อาบน้ำไปแล้วเราก็สวดมนต์ไปสวดไปภายในใจทำอะไรก็สวดมนต์ไปหรือพุโทโธพุทโธไปใจจะเย็นใจจะสบายจะไม่หิวโหยจะไม่ต้องการอะไรจะไม่ต้องอยู่กับใคร อยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวยกับรู้สึกสบายไม่ต้องวุ่นวายอยู่กับคนล่วเรื่องมากคนละเชื่อไหมอยู่แล้วมีปัญหาเยอะแยะตามมาไม่เคยมีความพอทักทีทำอย่างนี้ให้เดี๋ยวเดียวก็ไม่พอใจละให้อยากให้ทำอย่างนู้นอีกแล้ะพอทำอย่างนู้นเดี๋ยวเสร็จก็ไม่พอใจอีกละอยากให้ทำอย่างนี้อะ เรื่องของใจคนเป็นอย่างนี้ไม่มีควาว่าพอต่อให้ทำดีขนาดไหนก็ไม่พออยู่นั่นสู้อยู่คนเดียวเดียวกะไม่ต้องไปคอยเอาอกเอาใจใครไม่ต้องให้เขามารักมาชอบเราเวลาเขาไม่รักไม่ชอบเราก็เสียใจอีกหุ่นวายไปกับคนหุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ วนไปวุ่นวายไปกับสิ่งของต่างๆพอเรามีสติควบคุมใจให้อยู่กับธรรมะได้ทั้งวันทั้งคืนใจก็เย็นใจสบายธรรมะมีหลายรูปแบบบทสวดมนต์ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเรา ก็เป็นธรรมะอย่างหนึง่งการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมะอย่างหนึง่งให้อยู่กับธรรมะแล้วใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุขแล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับร่างกายของเราใจเรายังสามารถมีความสุขได้ เพราะเราไม่ต้องอาศัยร่างกายของเราเราไม่ต้องอาศัยคนนั่นคนนี้เราไม่ต้องอาศัยสิ่งนั่นสิ่งนี้เช่นข้าวของเงินทองมาให้ความสุขกับเราอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็สามารถมีความสุขได้ฉะนั้นขอให้พวกเราพยายามฝึกใจให้อยู่กับธรรมะตลอดเวลานับตั้งแต่เวลาตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลย ขอยควบคุมใจให้มีธรรมะประกบอยู่ไม่สวดมนต์ก็พุโทโธไม่พุโทโธก็ฟังเทศฟังธรรมไม่ฟังเทศฟังธรรมก็ดูร่างกายเฝ้าดูว่าตอนนี้กําลังทําอะไรกําลังเดินก็เดินไปกับมันกําลังยืนก็ยืนไปกับมันให้อยู่กับร่างกายติดกับร่างกาย อย่าหนีไปอดีตอย่าหนีไปอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดถึงวันพรุ่งนี้ทุกวันมันเหมือนกันะมีอย่างนี้มีมืดกับแจ้งล้วก็มีแก่เจ็บตายเท่านั้นที่มันที่มันจะมาแล้วก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้มันจะมาก็ปล่อยมันมาไป เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปกลัวความแก่ความเจ็บความตายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือธรรมะที่เราคอยที่จะฝึกสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อใจของเราจะได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบความว่างนี้มีอยู่ตลอดเวลาความสงบมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเรา ไม่ไปคิดใจก็จะสงบถ้าเราไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อยู่กับความว่างได้อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะดังนั้นขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนะ แต่เวลาเริ่มต้นอาจจะไปหัดปฏิบัติที่วัดจะง่ายกว่าเพราะมีบรรยากาศที่ดีกว่ามีคนคอยสอนคอยบอกแต่ถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วปฏิบัติเองได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นส่วนใหญ่มักจะไม่ปฏิบัติทำกันพอเผลอปัไปแล้วเดี๋ยวไปหาลูกเสียงกิดนรดแล้ว เดี๋ยวไปเปิดมือถือดูแล้วเปิดตู้เย็นดูแล้วหาแต่ของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของที่เป็นสุขเป็นประโยชน์กับจิตใจกับไม่หากัน ไม่หาอิทธิปิโสไม่หาสัพเพสัตตาไม่หาบทสวดมนต์ไม่หาพุทโทธธรรมโมสังโฆเนี่ยใจก็เลยเนี่ยวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะไปหายาพิษมาให้ใจนั้นเองลองหาธรรมะดูสิรับรองได้ว่าความวุ่นวายใจต่างๆจะไม่มีอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ท่านจง พยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้อยู่กับธรรมะไปตลอดระยะเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วต่อไปชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียวการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเรวะฮาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเบตานัง e อุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิจุติราโสยธาสัพพิติโอวิวัชฉันโตสัพพโรโขวินาสสโตมาเตภวะตวันตารายุสุขิติกายุกปาวะ อภิวาธานศสิลิกสานิจังวุธาปจายโนจตารธรมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไราวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสองรอยี่สิบสี่ยูทู 150, ร้อยห้าสิบพิจออนไลน์สิบห้ารับฟังข้างบนนี้ยี่สิบสี่คนรวมทั้งหมดสี่รอยสิบสามครับวันนี้ัรได้เทศมากน อ, อนต้นนั่งสมาธิคนเลยหลบกันไปนั่งเฉยเฉยไม่ได้นั่งต้องมีอะไรฟังพอไม่มีอะไรฟังแล้วใจมันหงุดหงิดเลยต้องไปเปลี่ยนไปทำอะไรอย่างอื่นเปลี่ยนช่อง <c oughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจที่ยังนั่งสมาธิกันไม่เป็น เ, เรียนธรรมะกันมาเป็นหลายปีแล้วเรียนไปถ้าไม่เอามานั่งสมาธิก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร เ, เรียนไปเพื่อให้เรามานั่งสมาธิกันหมือนถึงจะได้ผลมันต้องปฏิบัติทำ เรียนวิธีทำกับข้าวมากี่ปีถ้าไม่ไปทำกับข้าวก็ไม่มีกับข้าวให้กินนะเหมือนเรียนรู้จักวิธีทำกับข้าวแล้วก็ต้องไปทำกับข้าวกันพอทำกับข้าวปั๊บก็จะมีอาหารอนุชามาให้รับประทานาลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวง เ, เกิดจากการปฏิบัติธรรมไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมเพียงแต่บอกวิธี ที่จะทำให้เกิดลดแห่งธรรมขึ้นมาลดแห่งธรรมคือความสงบนี่ต้องมาปฏิบัติกันต้องฝึกสติควบคุมใจอย่าปล่อยให้คิดเลืล่อยเปื่อยให้พุโทโธพุทโธไปหรือมีบทสวดมนต์อะไรไปหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้ที่จะทำให้ใจหยุดคิด แล้วเราจะได้นั่งสมาธิได้นานๆมีความสุขได้นานๆมีคำถามอะไรเข้ามาหรือยางถ้าใครอยากถามก็ยกมือขึ้นมาน ะ, ะถามได้คำถามจากคุณรัชนีหากความรู้สึกแรกขณะตื่นคือเหมือนเรากำลังสวดมนต์อยู่แต่ไม่รู้ว่าสวดบทไหน พอรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นการสวดมนต์นั้นก็หยุดไปเป็นแบบนี้อยู่บ่อ ย, อยถือว่าดีหรือไม่คะหากดีหรือไม่อย่างไรขอพระอาจารย์ชี้แนะเพื่อการพัฒนาก่อนนอนจะสวดมนต์แต่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่ถ้าจะนอนก็จะสวดมนต์พร้อมดูลมจนหลับมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเวลาเราเต่งขึ้นมาใหม่ๆเหมือนกับความฝันที่ยังค้างอยู่ในใจ มันก็ยังแสดงออกมาต่อแต่พอเราเริ่มตื่นเต็มที่เริ่มมารับรู้เรื่องราวรอบตัวเราไอ้สิ่งที่อยู่ภายใต้จิตจำนึกมันก็ถูกกลบไปจะดีไม่ดีมันก็มันก็หายไปแล้วงั้นพอเราพอมันหายไปแล้วเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาต้องสวดมนต์ไปใหม่สวดบทไหนก็ได้พอลรมตาขึ้นมาก็ สวดอิติปิโสตวดสัปเเพสตาไปแล้วก็ไปทำภารกิจที่เราต้องทำต่อไป ทำควบคู่กันไปได้เวลาที่เตรียมเนื้อเตยมตัวอาบน้ำอาบอาบน้ำแปรงฟันนั่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็เอาบทสวดมนต์กากับใจเราไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะได้ว่างจะได้เย็นจะได้สบายไม่รุ่มร้อนถ้าปล่อยให้คิดเนี่ยบางทียังไม่ไปถึงที่ทางานแล้วใจร้อนไปก่อนนะ ขิดเรื่องวุ่นวายที่ทา ท, ที่ที่งานที่ที่ทำงานแต่ยังไม่ไปถึงเพียงแต่คิดถึงมันใจก็ร้อนขึ้นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้เอาใจอยู่กับธรรมะดีกว่าอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับอะไรไปาถามได้ใครอยากจะถามถามไปก่อนปิดนะคะ การพูดการกปางเปิดเปิดออดเปิดนะคะออยมขอลูกขอถามนะคะคือว่าคื อ, อ, อลูกนั่งสมาธิด้วยความบังเอิญตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษานะคะแล้วพอเอิญได้พบหนังตัวอย่างคือได้พบตัวรู้นะคะได้ตกหลุมลงไปตกบอ่อลงไปทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วทําให้พอนั่งสมาธิแล้วพอเกิดความสงบเหมือนกับเหมือนกับตัวเองรุ้นนะคะว่าว่าจะ ตกหลุมตลอดนะคะจะจะมีอย่างไงให้ลืมตัวสัญญานี้นะคะก็อยู่กับพุโทโธไปบังคับมัอนเราต้องท่องพุโทโธพุโทโธไปไม่รู้ไม่ชี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปหรือดูลมหายใจไปค่ะติดตรงนี้มาสองอปีแล้วคะ่ะไม่แบบพอพอสงบแล้วมีความรู้สึกว่าจะ นั่นหลมันอยากพอมันอยากมันก็ไม่สงบแล้วค่ะต้องลืมมันต้องใช้สติใช้บทสวดมนต์ใช้พุทโธใช้ดูลมหายใจมันจะไปก็ดึงมันกลับมามันจะไปก็ดึงมันกลับมาคอยู่กับพุทโธพุทโธไปอยู่กับวดมนต์ไปหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่อย่างไหนที่เราทําได้ก็ทําอย่างใช้อย่างนั้นไป ขอคำถามที่สองนะจ๊ะคะคือพอพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยพยายามศึกษาแล้วก็ฝึกสมาธิตามที่พระอาจารย์สอนนะคะก็เลยทำให้ลดงานแล้วก็ไม่คิดอยากจะทำงานคือตอนนี้ก็ทิ้งเกือบเกือบจะทุกอย่างนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไปเบียดเบียนสามีหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่เขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะ อุปถัมภ์ก็อยากให้เราตั้งใจตรงนี้นะคะแต่ลูกก็มีความรู้สึกว่าเราไปเบียดเบียนเขาเพราะเราเรียนมาแล้วเราไม่ใช้ความรู้ทั้ง<ม><ล>หนะคะถ้าเราไม่ไปขอเขาเขายินดีก็เหมือนกับเขาใส่บาตรให้เราอย่างนี้ถ้าเขาไม่เลี้ยงเราก็เราก็อย่าไปเสียใจก็แล้วกันเพราะเราต้องหาวิธีเลี้ยงตัวเราเองสมมติว่าถ้าเขา ไม่ยินดีที่จะเลี้ยงเราเขาข อ, อยาจากเราไปก็ปล่อยเขายาไปเราก็อยู่ของเราไปอาจจะต้องทํางานบ้างแต่ทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเพื่อจะได้เอาเวลาส่วนใหญ่มาให้กับการปฏิบัติธรรมต่อไปแต่ถ้าเขายินดีที่จะสนับสนุนก็เหมือนกับญาติโยมที่ยินดีที่จะใส่บาตรญาติโยมยินดีใส่บาตรเราก็บินตบาตไป ถ้าไปบินสบายไม่มีใครสบายก็ต้อง ม, มาหุงข้าวกินเองวะ <laughs> <laughs> ใช่ไหม <c oughs> ขอคำถามสุดท้ายนะเชี่คะพอ ด, ดีมีโอกาสคือบางสถานการณ์ในชีวิตประจําวันนะคะคือเราจะบางครั้งก็จะมีอารมณ์แบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยแบบคือโดยเฉพาะคนที่เขาสัญญาแล้วเขาไม่ได้ทําตามสัญญานะคะก็จะจเราไปหาเขาเองเราดึงกลับมาอยู่กับพุโทโธไปทีนี้เคยลองใช้สติแล้วมันมันไม่อยู่นะคะก็เลยนึกคาสอนของพระอาจารย์ที่ให้สอนว่าเราไปควบคุมเขาไม่ได้ เ, <อ>เขาก็เป็นตัว ของเขาเราเราทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าให้ใจเราต้องไปดิ้นรนตรงนั้นก็เลยพอพอคิดไปคิดมาแบบนี้ก็สงบคือตรงนี้ใช้แทนได้ไหมคะมาเรื่องปัญญาอบรมสมาธิปัญญาใช้ปัญญาถ้าใช้สติไม่ได้ก็ใช้ปัญญาใช้เหตุผลพิจารณาไตายรักไปถ้าเห็นไตายรักในสิ่งนั้นแล้วเราก็ปล่อยใช่เขปล่อยเลยค่ะพอคิด ตรงนี้แล้วก็ปล่อยเลย<ช>ก็เลยไม่ต้องใช้พุทโธ<ช>พุทโธคุมนะคะใช้พุทโธแล้วไม่อยู่นะคะใช่บางทีมันไม่อยู่แล้วแต่จริตแล้วแต่เหตุการณ์ถ้าเราใช้อนาดาได้ก็ใช้ไปพุทโธได้ก็พุทโธไปถ้าพุทโธไม่ได้ใช้ไตรลักษณ์ได้ใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปนะมวยมวยมวยสู้กับกิเลนนั้นไม่มีรูปแบบมันแล้วแต่ มันมาชั้นเชิงไหนแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ให้ทันมันถ้าเราใช้แบบเดิมมันรู้ทันมันเอมันจะหลบเราก็ต้องหาวิธีอื่นน ะ, ะคำถามต่อไปคำถามจากคุณเบญจวรรณการเดินจิตสู่ภายในจะทำให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอริยสัจสี่และหนทางให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ทุก์ก่อนใช่หรือไม่เจ้าคะอะ๋ไม่แร้วคือเราต้องเรียนรู้วิธีดึงใจเข้าข้างในก็ต้องใช้สติแต่การรู้ทุกนี้มันก็เป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เราเข้าหาธรรมะกันถ้าเรายังเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ไปหาธรรมะกัน แต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะให้ความสุขกับเราแต่ในอนาคตข้างหน้านี้มันต้องให้ความทุกข์กับเราไม่ช้าก็เร็วเพราะจะต้องมีการพัดพากจากกันมีการเปลี่ยนแปลงมีการสิ้นสุดลงถ้าเรามองแบบนี้เราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดให้ความสุขกับเรา มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนี่เป็นขั้นต้นถ้าเราเห็นทุกข์แบบนี้มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันให้มาหาความสุขด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือดึงใจเราเข้าข้างในเข้าหาธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราเข้าหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราเราก็จะต้องมาศึกษาวิธีว่าจะทำยังไงถึงจะดึงใจเราให้เข้าข้างในให้ได้ เพราะใจเราตอนนี้จะออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยๆจะออกไปหาลาบยศจะละเสริญจะออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็ต้องใช้วิธีที่พระเจ้าสอนคือสตินี่ให้ดึงจิตให้กลับมาคิดพุทโธพุทโธ อย่าไปคิดถึงลาบยศจันละเสริญอย่าไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับบทสวดมนต์หรือให้เฝ้าดูกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันแล้วใจเราก็จะได้หยุดคิดถึงลาบยศจันละเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเราก็จะได้ดึงใจเข้าข้างไหนได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม ผมปฏิบัติทมสม่ำเสมอความอยากในสิ่งต่างๆลดลงผมไม่ต้องทำงานประจำมาร่วมสิบปีแล้วครับในบางครั้งรู้สึกว่าขี้เกียจมากขึ้นหรือละกิเลสได้ลงจากทำไม่อยากออกไปไหนเหมือนก่อนแต่ยังทำกิจกรรมการงานต่างๆที่ต้องรับผิด ช, ชอบอยู่ครับอยากทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติต่ตอจากนี้ครับก็พยายามเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้น ลดการทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นต้องทำให้น้อยลงไปลดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการหัดถือศีลแปดถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะตัดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายคือพวกมหาหอรสศบบันเทิงต่างๆการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะถูกศีลแปดห้ามเอาไว้การร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็จะถูก ห้ามด้วยเราก็จะได้มีเวลามาจเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นคำถามต่อไปจากคุณน้อยโยมได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสิบวันปิดวาจาไม่ให้เดินปิดวาจาไม่ให้เดินไม่สวดมนต์ตีสี่นั่งสองชั่วโมงพักห้านาทีนั่งไปถึงสามทุ่ม นั่งต่อในห้องกระดูกรอมานมากๆจนดับไปสองชั่วโมงไปหนึ่งเดือนบ้างสามเดือนบ้างาฉัน เ, เป็นวัดป่าที่ฉันมื้อเดียว ป, ปัจจุบันนี้โยมดูแลพ่อแม่กินมื้อเดียวปฏิบัติอยู่ที่บ้านสู้กิเลสได้บ้างไม่ได้บ้างง่วงนอน วันที่ถือศีลก็จะไม่ง่วงปฏิบัติตลอดคืนขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็ทำไปเรื่อยๆส่วนไหนที่ดีก็รักษามันส่วนไหนที่ไม่ดีก็พยายามละมันเออพระเจ้าบอกว่าให้สร้างธรรมะที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นรักษาธรรมะที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปให้กำจัดกิเลสตัณหาหรือพฤติกรรมทางกิเลสตัณหาให้น้อยลงไป ป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหาที่เคยละแล้วกลับคืนมาใหม่ให้ทำแบบนี้สี่ลักษณะให้สร้างธรรมที่ยังไม่มีให้มีขึ้นหรือให้มีมากขึ้นรักษาธรรมที่มีอยู่แล้วอย่าให้หดหายไปละกิเลสที่ยังมีอยู่ในใจให้มันน้อยลงไปตามลำดับแล้วก็ป้องกันกิเลสที่ได้ละแล้วอย่าให้มันกลับคืนมาใหม่ปฏิบัติในสี่ลักษณะนี้ตั้งแต่ตื่นจนดลับ แล้วจิตใจของเราจะเจริญก้าวหน้าในธรรมมากขึ้นไปตามลำดับคำถามต่อไปจากคุณตุกตาการซื้อลูกหมามาเลี้ยงดูแลด้วยความรักถือเป็นการสร้างกรรมเวรต่อกันให้เป็นบาปไหมเจ้าคะถ้าไม่ไปทำร้ายเขาไม่ก็ไม่บาปเพียงแต่มันก็มาดึงเวลาที่เราควรจะไปใช้ที่มีประโยชน์กว่าคือไปปฏิบัติธรรม ถ้าเราต้องเลี้ยงหมาดูแลหมาเราก็วุ่นวายกับมันเหมือนกับเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงคนมันก็เอาเวลาที่เราควรจะเอาไปใช้กับการปฏิบัติการปฏิบัติเราก็จะน้อยลงแล้วเราก็จะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปก็ได้ภายในภพนี้ชาตินี้ยังนงถ้าเป็นทางที่ดีก็อย่าไปเลี้ยงดูอะไรเลยเลี้ยงตัวเราคนเดียวก็พอแล้ว ต้องไปหาคนอื่นมาเลี้ยงเพิ่มให้มันแบกภาระพระเจ้ mm hmm. าเจ้าบอกว่าร่างกายนี้พาเป็นภาระหนักอย่างยิ่งพาระฮาเวปัญจขันธาคันห้าของเรานี่ก็เหลือกินแล้วยังต้องไปหาคันห้าของคนอื่นมาเลี้ยงอีกเดี๋ยวเลี้ยงหมาเดี๋ยวมันไปมีลูกอีกก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันอีกนะ mm hmm. พยายามลดภาระต่างๆให้น้อยลง ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าเอาเท่าที่จําเป็นก็คือร่างกายของเราท่านั้นพอคําถามต่อไปจากคุณวันนิพาโยมกําลังฝึกภาวนาอยู่สองรูปแบบแบบดูลมที่ปลายจมูกรู้สึกสบายแต่จิตจะเผลอไปคิดบ่อยๆแต่ถ้าภาวนาพุโทโธจะรู้สึกอึดอัดขัดเคืองรู้สึกไม่สบายกายใจแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านโยมภาวนาพุโทโธ เรื่องราวต่างๆจะหยุดลงทันทีพระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำว่าแบบไหนจะเป็นทางที่ถูกต้องครับก็ถูกทั้งสองทางต้องดูภาวะจิตของเราถ้าจิตเราฟุ้งก็ต้องใช้พุทธโธเหมือนขับรถเนี่ยขับรถถ้ามันรถช้าก็ต้องใส่เกียร์ต่าถ้ารถเร็วก็ต้องใส่เกียร์สูงจิตเราบางทีก็ฟุง้งบางทีก็ไม่ฟุง้งเวลาฟุ้งเราก็ใช้พุทธโธ เวลาไม่พรุ้งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไปคำถามต่อไปจากคุณยิ้มถ้าไม่มีพื้นฐานในการนั่งสมาธิเลยขั้นแรกต้องทำอย่างไรครับต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนไหมครับแน่นอนเรื่องการมีครูบาอาจารย์นี้สำคัญที่สุดถ้าเราต้องทำในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องหาคนที่รู้มาบอกเรา ขับรถนี่อยู่ดีๆเราจะไปหัดขับเองหงชะขับไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนที่เขาขับเป็นมาบอกเราว่าขับอย่างไรเขาก็เป็นครูอาจารย์เราที่เกี่ยวกับเรื่องการขับรถการนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนการควบคุมใจขับใจของเราเราก็ต้องหาคนที่รู้จักควบคุมใจคนที่รู้จักการควบคุมใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้จักวิธีควบคุมใจท่านยะสอนอย่างแรกให้เราฝึกสติให้เราหยุดความคิดด้วยการให้ใจไปคิดอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธหรือสวดมนต์ไปหรือเราดูการกระทาของร่างกาย ไปร่างกายกําลังทําอะไรก็ทํากับร่างกายไปอย่าไปอยู่ที่อื่นร่างกายแปลงคันใจก็ต้องแปลงคันไปกับร่างกายร่างกายหวีผมก็ต้องหวีผมไปกับร่างกายอย่าหวีผมไปแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องดึงให้มาอยู่กับงานที่ร่างกายกําลังทําอยู่ถึงจะถือว่ามีสติที่จะหยุดความคิดหยุดใจให้ลอยไปลอยมาได้ ถ้าเรามีสติเวลานั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่มาส์ใจขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณการปกติหนูจะท่องพุทโธพุทโธในใจเวลามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายบางทีมันก็จะกระเพื่อมในใจแต่ก็มีอีกส่วนที่ยังนิ่งอยู่ คำถามคือจริงๆแล้วมันต้องไม่กระเพื่อมเลยหรือเปล่าครัหรือมันบังคับไม่ได้เจ้าคะ่ะเพราะไม่ๆมมันก็สติเรายังไม่มีกำลังเต็มร้อยมันก็แบ่งไปครึ่งนึงครึ่งหนึ่งมันก็ยังออกไปกระเพิ่มได้อีกครึ่งหนึ่งมันก็นิ่งได้แต่ต่อไปสติเรามากขึ้นมากขึ้นพอเต็มร้อยมันก็จะไม่กระเพื่อมเลยอยังต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้น ครับคำถามต่อเนื่องครับและการที่จะดูว่าสิ่งที่เราทํามันบาปหรือไม่ดูจากอะไรคะดูจากใจที่กระเพื่อมหรือเปล่าคะอย่างเช่นหนูบอกให้เด็กปัดแมลงออกแต่เด็กดันไปบีบเขาตายพอหนูเห็นใจมันกระเพื่อมขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าบาปไหมคะคือบาปทางใจคือการกระเพื่อมของใจก็เป็นความทุกข์ การดูการกระทําอะไรต่างๆก็ดูว่าใจเรากับเพิ่มหรือไม่ถ้าใจเราไม่กับเพิ่มก็แสดงว่าใจเราไม่ถูกนะังั้นก็ดูได้สองที่ดูที่ใจหรือดูที่การกระทําทางร่างกายการกระทําร่างกายถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนก็เรียกว่าบาปแต่ถ้าเราดูแล้ว เราไม่ได้ทําทางร่างกายแต่ใจเรายังหมุดหงิดนาคาญกับการกระทําของเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์แล้วก็ต้องดูแบบเฉยๆดูแบบมีสติมีปัญญาคือดูแล้วก็รับรู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่ต้องไปรักไปชังไปกลัวไปหลงใจเราก็จะไม่กระเพิ่อมคาถามต่อไปจากคุณปัญญีเวลานั่งสมาธิรู้สึกอึดอัด อยู่ข้างในเหมือนมันมีก้อนอะไรอยู่ตรงหน้าอกรู้สึกเหนื่อยขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็ลองเปิดทีวีดูใส่หายหลเลยท <c oughs> ี่ก้อนนั่นก็คือกิเลสเนะี่ยคือใจมันไม่ชอบที่จะอยู่เฉยๆเพราะมันอยู่เฉยๆมันก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาอยู่กลางหน้าอกบ้างกลางหน้าผากบ้างเพราะว่ามันไม่เคยนั่งเฉยๆไม่เคยอยู่เฉยๆนั่นเองงั้นอย่าไปสนใจเหมันมันเป็นมาร เป็นมายาหลอกเราให้เราใช้พุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันจะละลายไปหายไปเองอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปเหมือนกับดูทีวีพอเปิดทีวีปั๊บหายไปเลยแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าทีวีมันไม่ทําให้ใจเราสงบให้มาดูพุโทโธให้มาดูบทสวดมนต์ดีกว่าแล้วใจจะสงบแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวที่มันอึดอัดเป็นก้อนมันก็จะละลายหายไปเองน คำถามต่อไปจากคุณพัสกรคนที่ในอดีตชาติเคยบรรลุโสดาบันมาชาตินี้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือสามารถทำวิปัสสนาต่อไปได้เลยครับออต่อไปได้เลยถ้าเป็นโสดาก็เป็นโสดาไปก็จะเหมือนคนจบม .6 ก็จะไปต่อปัญญาตีได้เลยไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ป .1 ใหม่คำถามต่อไปจากคุณพีเจ ความคิดกับจิตเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับคือจิตนี่เป็นตัวเป็นชื่อของผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้รู้ผู้คิดนี่เราเรียกว่าจิตใจส่วนที่คิดเราเรียกว่าจิตส่วนที่รู้เราเรียกว่าใจหมดแล้วแหละโอเคหมดละหมดเวลาพอดีก็คิดว่าขอสมควรแก่เวลา